ท่านประโยชคาไวจรทั้งหลายส <c oughs> ำหรับเวลานี้ท่านหลายได้พากานสมาธานและกรรมฐานแล้ว <c oughs> ต่อ น, นี้ไปลดระนับการแนะนำในเรื่องการเจริญและกรรมฐานแต่ว่าการแนะนำกันในย่ยนนี้ <c oughs> ก็จะถือบุคคลตัวอย่างเป็นสำคัญ เพราะว่าหลักวิชาสำคัญใหญ่ๆทั้งหมดท่านสนับกันมาแล้วเช่นมาหาปติปัฏฐานสูตรแล้วกรรมฐ า, านสี่สิบนิวรณห้านิวะจริตกแล้วก็ปรรกนอากาศต่างๆเขาพูดกันมาหมด <c oughs> ในคืนพูดไปพูดมามันก็ไม่มีอะไรในการเจริญพระกรรมฐ า, าน ถ้าเราจะเอากันจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งที่อย่างเดียวไม่ยอมก้มหัวให้กับกิเลสมันก็หมดเรื่องทุกอย่างมันอยู่ที่กำลังใจไม่ใช่เรื่องของกายเ <c oughs> จงนั้นนักจะเดินไปกรรมาฐานที่ไปนสนใจกับกายมันยังไกลจากความเป็นจริงมาก เรื่องของกายทั้งหมดอย่าไปสนใจมันถ้าเราไปสนใจกับกายว่าต้องนั่งท่านัน้นต้องนอนท่า น, นี้ต้องยืนเดินท่านัน้นต้องยืนท่า น, นี้ก็เสร็จอย่างนั่นเขาเรีกันว่าฝึกกายการบรรลุมากผลการทรงฌานสมาบัติเขาไม่เดากายไปบรรลุเขาไม่เดวเขากายไปไ ป, ไป ไม่ได้ชานสมาบัติคนเรียพึงได้จากการเจริญพระบรรมฐานเพื่อหวังความเป็นสุขมันอยู่ที่จิตตามที่ฟังมาแล้วเรื่องพระโพธิละเมื่อคืนนี้ที่เนนบอกกับท่านบอกว่าจงปิดทวารทั้งห้าเสียให้หมดเปิดไว้ทวารเดียวคือมโนทวาร เป็นอนุวาเราจะบรรลุมรคบรรลุผลก็ดีจะทรงชาโลกีก็ดีจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิก็ดีหรือว่าจะเป็นคนระยำําเพรแบบไรก็ดีมันอยู่ที่ใจตัวเดียว <c oughs> ถ้าใจของเราพ้นจากสภาวะเป็นท่าของกิเลส เมื่อเราสามารถชนะกิเลสได้เราก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมานสอนเราในสอนให้รู้จักคุณค่าเชงในการใช้กำลังใจตามที่ท่านทราบไปแล้วในบรมีสิก บารมีสิบก็หมายกังว่าการทำกำลังใจให้เต็มบารมีนี่แปลว่าเต็ม <c oughs> ว่าเอากันจริงจริงแจ้งๆจ ง, จ ง, จงก็ไม่รู้ว่าเต็มตรงไหนอะไรมันเต็มในที่สุดเราก็ไม่จับกันได้ว่าใช้กำลังใจเต็มเท่านั้นถ้ากำลังของใจของท่านเต็มในบารมีสิบเรื่องความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องคุยกัน ก็เป็นแล้วความจริงถ้าฝึกบา ร, รมีเสร็จปครบสิบเปครบ้นรบวนก็เป็นพระหันได้แล้วคนที่จะเป็นพระหันก็ต้องอาศัยบา ร, รมีสิบตนเองถ้าขาดบา ร, รมีสิบบกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่าเพิ่งคิดว่าแม้แต่พระโสดาบันก็เป็นไม่ได้ เป็นอันว่าบารมีสิทธิ์ประไปจำใจคขามรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านตายอยู่เป็นปกติ <c oughs> ท่านผู้นั้นก็ถือว่าเข้าถึงที่สุดแห่งหลักสูตรในพระพุทธศาสนาวันนี้กมาดั่งนั่งฟังเรื่องพระตัวอย่างพระตัวอย่างนี้ท่านก็ให้นามว่าพิสูนห้าร้อยรูป แต่ว่าเบื้องต้นังเขียนไม่บอกว่าพิสุเรื่องของพิสุประมาณห้าร้อยรูปนี่ท่านใช้คำว่าประมาณเพราะ่อศัพ์ว่าห้าร้อยนี่ผมเห็นว่าจะเป็นสาธารณะเกินไป <c oughs> โจรก็โจรห้าร้อยพระก็พระห้าร้อยบางทีจะเป็นคำนิยมสำหรับในสมัยนั้น ว่าอะไรอะไรมันมากสักหน่อยก็ยกห้าร้อยขึ้นเป็นที่ตง <c oughs> ังก็เราอะไรเพราะว่าสมัยนั่นเขานับโกดนับแสนกันคขานับโกด์กขาไม่ได้นับล้านนับแสนทรัพย์สินบุคคลที่จะเป็นมาหาเศรษฐีได้ต้องมีทรัพย์ตั้งแต่แปดสิบโกดขึ้นไปถ้าต่ำกว่าแปดสิบโกดมาถึงสี 80, ่สิบโกดเขาเรียกกันว่าอนุเศรษฐี ต่ำลงมากว่านั้นเขาเรียกว่าก้หาบดีทีนี้นคำว่าห้าร้อยจึงเป็นของเล็กอย่างนางวิสาขามาหาบาสิกาแต่บอกว่าเมาื่อเกิดมาแล้วพ่อแมก่ก็หาหญิงที่เป็นบริวารให้ห้าร้อยความจริงห้าร้อยนี่เห็นแ่เป็นห้าร้อยดีไม่ใช่ห้าร้อยเลว ที่เราได้กันว่าห้าร้อยห้าร้อยจะเป็นเพศห้าร้อยเลวฟังเรื่องราวของท่านต่อไปตามรัมบาลีกล่าวว่ามองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศารดา <c oughs> ส, สนาทรงขณะประทับยับยาวงสำราญดียาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร สมเด็จพระิชิตามานทรงปรารภพิสุประมาณห้าร้อยรูปให้เป็นเหตุสมเด็จพระบรมโรคกระเช้าเจ้าหนี้ทรงตัดพระธรรมเทศนา ว, าวา่าวัสิกาวิยะปุถานิเป็นตนเรื่องนี้สั้นนิดเดียว <c oughs> ตามรัมบาลีที่พระนนท้ทรงกล่าว ว่าดังได้สดับมาแล้วคำนี้นะ่ะเป็นความฉลา่ยของพระอนุลท่านยกตนว่าเรื่องนี้ท่านไม่ได้รู้เองท่านได้ฟังมาจากองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วส่งแสดงจําไว้ด้วยนะครับเจริยาของพระอนุลนี่จําท่านไว้ท่านจะไม่ยอมกล่าวว่าธรรมะเรื่องนี้ท่านรู้มาแล้ว มันจะใช้คําว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ <c oughs> คําว่าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นเรียนพระกรรมฐานในสํานักพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าเจ้าแล้วต่างคนต่างก็บําเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าสมณธรรมแปลว่าทำเป็นเครื่องสงบระงับจากกิเลส สมณะแปลว่าสงบสมณะแปลว่าลอยแล้วซึ่งบาปทำบาปให้มันพ้นไปจากใจบาปก็คือความชั่วได้แก่ยิเลศ <c oughs> ในตอนหนึ่งท่านกำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานกันอยู่คำว่าเจริญพระกรมฐานเพราะาได้โปรดทราบว่าไม่ใช่นั่งหลับตากันเสมอ กรรมฐ า, านหลับตายก็ได้ลืมตายก็ได้เพราะว่าเราสามารถจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตในคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระบรามาโลกเจตทรงดัดว่าใช้อารมณ์แบบนี้กิเลสจะพินาศไปฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียกรรมฐ า, านตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร ไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลับตาเสมอไปเรื่องหลับตาจริงๆผมว่าอย่าไม่เก่ง <c oughs> คนนี่หลับตาเก่งนานๆจะนึกว่าจะได้กรรมฐานดีผมไม่เชื่อเพราะถ้าจะดีจริงๆมันต้องดีทั้งหลับตาแล้วก็ดีทั้งลืมตาดีทั้งอยู่ในที่สงัดแล้วดีทั้งอยู่ในที่เกลื่กลวบไปด้วยใบชาชน ดีทั้งที่เวลาร่างกายปกติแล้วก็ดีทั้งเวลาร่างกายไม่ปกติอารมณ์ต้องดีทั้งในในขณะที่เราฟังคําสรรเสริญแล้วก็ดีในขณะที่คนเขาด่าเราอารมณ์ของเราจะต้องสม่ําเสมอกันไม่ขึ้นไม่ลงใครเขาสรรเสริญก็เฉยใครเขานินทาว่าร้ายก็เฉย อารมณ์เงียบสงัดเสียงเงียบสงัดเราก็เฉ ย, ยเสียงเจาะแจ๊กจอแจวอยวายเราก็เฉยลงเฉยซะหมดมันก็หมดเรื่องกันนี่การเจเรนพระกรรมทานน่ะถ้าเราจะเข้าป่าเข้าดงอันนี้ผมไม่ได้ว่าพระที่จะเข้าป่านะ่ะความจริงผมก็เข้าป่ามาแล้วตั้งสิบ ป, ปีแต่ว่าไม่เต็มสิบ ปีหนึ่งหกเดือนมั่งเจ็ดเดือนมั่งสี่เดือนมั่งห้าเดือนมั่งแต่สามเดือนไม่มีเข้าป่าก็เข้ามาจริงๆแต่ความจริงเข้าป่าไม่ยักเก่งไอ้ที่มันจะพอรู้สึกตัวว่าพอจะใช้ได้กับเขามั่งนี่มันในบ้านในเมืองต้องเอาอารมณ์เข้ามาสู้กับความจริงทุกอย่าง เพราะว่าเราเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งกองทัพขึ้นเรียกว่ากองทัพธรรมห้ำหันกับวิเลยตัดให้มันเป็นสมุทฉีดทหารมันพังเท่าไรก็พังไปถ้ามันไม่พังเราก็พังเอ้นี่มันจะไม่จบที่เรื่องเนี้ยหน้ากระดาษเดียวจะไม่จบซะแล้ว เป็นะนั้นว่าเวลาที่ท่านเข้าไปเจริญสมณธรรมในป่าเห็นดอกมะลิที่มีกลีบบานแต่แล้วเป็นเนื้อเลี่นบานตั้งแต่เวลาเช้าตรู่เอ๊ะท่าว่ายังไงของท่านเห็นดอกมะลิที่บานแล้วตั้งแต่เช้าตรู่ หลุดออกจากขวดในเวลาเย็นไมายควาตอนเช้าเห็นดอกมะลิบานสวยสงา่าขาวสะอาดมองแล้วชื่นตาชื่นใจแต่ว่าพอเวลายินไอเจ้าดอกมะลิดอกนั้นมันจะเริ่มแก่มาตั้งแต่เชา้านะแก่มาทีลนิดลนิดละนิดพอตกเย็นมันก็งม พง่อมแล้วมัน ก, ก็นหล่นจะขั่วในเวลาตอนเย็นท่านจิงพากันพยายามคิดเอาดอกมะลิเป็นครูแต่ความจริงนี่พระที่ท่านจเจริญสมนธรรมที่จะได้ดีกันจริงๆถ้าเกาะตำราเกาะครูบายจานอยู่เสมอไม่มีทางได้ดี ถ้าจะได้ดีกันจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาของตัวเองเป็นสำคัญเอาดอกมเลิเป็นครูที่เก่านลียิงพยายามได้หวังว่าพวกเราจะต้องหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะเป็นต้นก่อนกว่าดอกไม้ทั้งหลายที่จะพึงหลุดออกจากขั้วนันน่ เอาเป็นคู่แข่งขันก็ดอกมะลิเสร็จแล้วนี่แน่จริงๆถ้าคิดว่าดอกมะลิมันบานตอนเช้าแล้วมันก็หลุดจากขวในตอนเย็นเห็นเข้าอย่างนั้นเจงเกิดวิิยะยันถือว่ามานะไม่ถูกนะเป็นวิิยะคือความเพียนตัดสินใจ ว่าดอกมะลิมันบานเวลาเช้าได้มันก็หลุดไปในเวลาเย็นได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดเราเป็นคนมีชีวิตจิตใจเราจะต้องสามารถห้ามหั่นกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้เร็วกว่าดอกมะลิที่บานบานในเวลาเช้าแล้วก็หล่นในเวลาเย็น <c oughs> นี่หมายความว่าท่านคิดว่าลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้าและเราต้องสามารถจะตดกิเลสมีราคะโทสะโมหะทั้งหมดทั้งสามประการให้มันพ้นไปจากใจซึ่งใช้เวลายังไม่ถึงเวลาเย็นต้องก่อนดอกมะลินั้นเอาดูท่านท่านจะว่ากันยังไง ตามพระบาลีทั้งกล่าวว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิจิตตมานบรมศสาสันดาสมม า, ามสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูวิสุเหล่านั้นเห็นแล้วองค์สมเด็จพระบาที่แก้วจึงได้มีพระพุทธติกาจัดว่าฟิกเวดูก่อนวิสุทั้งหลายถรามดาว่าวิสุ เพ่งพยายามเพื่อหลุดพ้นจากวัตทุก์ให้ได้ดูดจะดอกไม้ที่หลุดจากโขฉันนั้นแล้วก็ทรงระทับพันอยู่ที่นั่งและคยคันในกุดีนั่นเองทรงเปล่งฉับพันรังสีรษมิยุปการไปจะเพาะหน้าบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้น ก็มีภาพเหมือนกับองค์สมเด็จพระกศวนประทับอยู่ที่หน้าพระทั้งหลายไม่ใช่บนหน้านะข้านาและองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิฆเวดูก่อนพิสุตตะไรพวกเธอจงปลดเปลื้องราคะและโทสะเสียเหมือนดอกมาลิเคลือปล่อย ดอกท่านหลายที่เหี่ยวและหล่นลงไปฉะนั้นนี่เป็นพุทธบาสิทิองค์สมเร็จพระวิชิตมานทรงตรัสเป็นกล่าวว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระท่านหลายทั้งหมดประมาณห้าร้อยรูปก็ได้สาเร็จาราหัตผตลแล้วดังนี้นี่ความจริงฟังอยู่แล้วสมัยนั้นท่านฟังเทศไม่มาก ท่านฟังคำสั่งคำสอนไม่มากท่านก็ได้บรรลุอรหันต์กันแล้วก็สมัยนี้มักจะมีคนชอบพูดกันว่าคนสมัยนั้นท่านมีบารมีเต็มเมื่อมีบารมีเต็มแล้ว ท, ท่านฟังเทศน์ก็สำเร็จง่ายๆคราวนี้ถ้าเราจะเป็นคนเต็มมั่งจะว่า ย, ยัางไง ใครจะมานั่งไขัดคอเราว่าถ้าเราจะเป็นคนมีบรมีบา ร, รมีเต็มบ้างใครจยควักเป็นก้างขวางคอเราผมได้บอกแกท่านแล้วว่าคำว่าเต็มแล้วคำว่าบา ร, รมีเต็มก็หมายถ้งว่ามีกำลังใจเต็มเต็มในบา ร, รมีสิบราการคราวนี้เรามาพูดกันเฉพาะบรรดาพระห้าร้อยรูป ท่านเห็นดอกมะลิแล้วาดอกมะลิเป็นครูตอนนี้ก็จึงต้องถือว่าท่านมีบารมีมะลิเต็มนี่ไหมนี่ดีไม่ดีจะบอกว่าผมไม่ดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรเสียจะหาว่าดัดก็ดัดจะหาว่าแต่งก็แต่งจะหาว่าแปลงมาแปลงจะหาว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยน มันจะเปลี่ยนมันจะแปลงไปยังไงก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรายบริบาลศาสนาทั้งแต่กับพระอย่างนั้นท่านบอกว่าจงดูตัวอย่างดอกมะลิและก็จงเอาชนะดอกมะลิดอกมะ ล, มลิมันเกิดขึ้นได้มีความสวยสดงดงามในเบื้องตน้นมันกรสุดซอมร่อยหรอมาตามลําดับ ในที่สุดมันก็ล่วงหล่นชั้นใดแม้พวกเธอทั้งหลายจงสร้างกำลังใจของพวกเธอให้มีความเบิกบานเช่นเดียวกับดอกมละลิในยามเช้าและก็สังหารกิเลสที่มันพ่อพูนข้ามามีความงามมาเสมอกัน ห้ามหั่นมันให้พี่นาฏไปในเมื่อเวลาใกล้จะเย็นแลอก่อนเย็นนี่แตงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงทำลายโทราคาระโทสะไม่ยักบอกว่าโมหะนะนีไม่ดีที่นักปราปรชญ์ปัจจุบันจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเทขาดไปซะแล้ว องค์สมเด็จพระปัิบแก้วเทเสถียงวา้พระตัดราคากับโทสะสมรการแล้วพระทั้งหลายเหล่านั้นทำตามก็สมเด็จอาหาตผลนี่ถ้าบรรดาท่านสาธุชนติดตำรายเกินไปก็จะกล่าวคำคัดค้านองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมสาสนาว่าตรัดน้อยเทศไม่ครบทวน แต่ความจริงพวกเราฟังกันม า, มากแล้วที่ผมเคยบอกว่าถ้าราคะหรือ ว, ว่าโลภมันสิ้นไปโทสะพยาบาทมันสิน้นสิ้นไปโมหะมันจะอยู่ได้ที่ไหนโมหะไม่ต้องเป็นทำเป็ท ำ, เปทำลายเพื่อเหยื่อเพร่อพื้นฐานของมันไม่มีมันไม่รู้จะยืนอยู่ที่ไหนไมันก็พังตายไปเอง <c oughs> ตอนนี้เราก็มานั่งดูกำลังใจของเราว่าเวลานี้ราคามันเกิดขึ้นกับใจแล้วหรือยังไม่ต้องตอบได้ไหมเวลาอาบน้ำชำระร่างกายก็ดูซะจนหมดจดเช็ดที่นนผูที่นี่ดูให้มันดีทุกอย่าง เวลาแรกจึงอาบน้ําก็ใช้กายดีผัดแป้งแต่งตัวสีนั้นจะเหมาะไหมสีนี้จะดีไหมสวัสดิ์รงผ้าชุดนี้จะเหมาะสําหรับเราไหมเนื้อเวลานี้สีเนื้อมันเป็นยังไงใช้ผ้าอะไรไมันจะเหมาะกับเนื้ออาการอย่างนี้แปลาการของรากษา ราคาถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราจะตัดด้วยอะไรถ้าเรามีกําลังใจจริงไม่ต้องตัดมากก็นั่งดูตัวเราสิว่าไอ้ตัวเรานี่มันสะอาดหรือสกปรกเราไม่ต้องไมดูตับตายไส้พุงดูผิวหนังข้างนอกที่มันสกปรกนกี่แหละ ว่ามันสอาดหรือปกปรกอ้าสะอาด จ, จริงๆแล้วก็ไปอาบน้ำทําไมชําะร่างกายทําไม้าการชำระร่างกายแสดงว่าเราทําลายของสกปรกใช่ไหมในเมื่อเราตั้งใจทําลายของสุปกปรกก็แสดงว่าร่างกายของเรามันสปกปก ร่างกายของเราสุกบรกผ้าของเราที่ว่าสวยที่สุดดีที่สุดสะอาดที่สุดเราเคยต้องซักต้องชําระร้างความสุกบรกของผ้าบ่างหรือเปล่าถ้าผ้ามันสะอาดจริงๆมันดีจริงๆซื้อมาแล้วตั้งแต่นุ่งไปใช้ไปทิ้งมันขาดไม่ต้องซักน้น นี้ถ้าไม่ชาระมันไม่กี่วันมันก็ทนไม่ไหวเพื่อเหอใครก็เราก็มาจับนี่ความสกปรกภายนอกมันมีเพียงนี้ถ้าภายในที่เป็นต้นสายการสรกปรกมันจะสกปรกเพียงไหนและก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่ามีอะไรบ้างที่มาสะอาด ที่มันมีแล้วไม่ต้องชำระไม่ต้องล้างไม่ต้องปัดไม่ต้องสีไม่ต้องขัดต้องสีมันจะมีแต่ความสวยสดสดงามตลอดกาลตลอดสมัยเพชรนินจินดาทั้งหลายที่ว่าสวยสดงดงามนี่ยไม่ชําระไม่ล้างไม่ทําความสะอาดมันจะ่องใสเสมอไปหรือเปล่าเอาคิดกันตรงนี้นะอันี้สมมติว่าหญิงจะรักชายชายจะรักหญิง หวังจะแอบอิงเข้ามาเป็นคู่ครองคิดบ้างหรือเปล่าว่าคนที่เรารักมันสะอาดหรือว่าสปกปรกคนทุกคนรักความสะอาดแต่ว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสปกปรกแล้วจิตเข้าไปผูกพันมันทำไมอี่พูดอย่างนี้ถ้าเรียบเป็นกรรมฐาน เก็ถือว่าเป็นกายยึตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานควบกันไม่ต้องไปนั่งก็ไม่ท้องไม่จะขึ้นเอืดมีสีเขียวน้ำเหลืองไหลไม่ต้องนั่งดูมันลืมตาดูไม่ต้องหลับตาดูถ้าเราพยายามพิจารณาอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่จิตใจมันก็จะตกคลายราคะคือความรัก <c oughs> ไม่เห็นยากไม่มีอะไรยากสักอย่างแต่เราเป็นคนจริงที่ยังจะมีอะไรยากไอ้ที่มันยากเรามันไม่จริงไม่ชอบโกโหกตัวเองมาทั้งด้ความโกรธความเพยาบายก็เหมือนกันที่ไปนั่งโกรธนั่งพยาบายเขาทําไมนาทิโลเกานินทิตโต คนนี้เกิดมาในโลกที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายไม่มีก็โลกนี้มันมีธรรมใจจำอยู่แปดอย่างขึ้นหนึ่งได้หลบับสองเสียมหลบับแล้วก็สามได้ยศสี่เสียมยศห้าได้สุขหกได้ทุกเจ็ดได้นินทาแปดได้สันเริญ ผมพูดนี่มันจะเรียงหรือไม่เรียงผมไม่สําคัญไม่ถือเป็นแบบฉบับเอาให้มันครบก็แล้วกันก็โลกนี้มันมีทำใบจําจอยู่แปดอย่างเหมือนกับเราเดินอยู่กลางแดดที่ไม่มีร่มไม่มีเงาแดดมันจะเผากายนี่ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เ้าเราไปบ่นไปว่าแดดเราก็อย่ากลายเป็นคนบ้าไม่ใช่คนดีข้อนี้มีประมาณชั้นใดมันโลกกระทำทั้งแปดรายการมันมีประจําใจของคนทั้งโลกเราจะนั่งหลบมันทําไมเอาใจเข้าไปสู้กับมันคําสู้หมายความว่าไม่ยอมรับนับถือไม่ยอมอยู่ภายใต้อานาจของมัน ลาบจะเกิยก็เชิญเกิดลาบจะเสื่อมก็เชิญเสื่อมยศถาบรรดาศักเขาให้ก็เอาเขาแย่กลับไปก็ช่างเขาใครอยากจะนินทาก็เชิญใครอยากจะสรรเสริญก็ช่างไม่หนักหกหนักใจความทุกข์ความลําบากร่างกายและจิตใจมันจะเกิดมาก็ตามที ความสุขในกามารมณ์นี้เราไม่สนใจหมดเรื่องเป็นอันว่าทาใจได้เท่านี้มันก็หมดเรื่องเราไม่ติดอยู่ในโลกธรรมเราไม่ติดอยู่ในราคะเราไม่ติดอยู่ในโลภะโมหะมันจะเหลือที่ไหนถ้าสามารถดั้งสายกำลังใจได้เพียงเท่านี้ทุกท่านก็เป็นพระอรหรันต์ ที่ความจริงเราก็พูดกันมากผมไม่เห็นมีอะไรพูดมาพูดไปมันก็นลงเอราคาโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะตัดได้แล้วก็ยกเลิกกันมันก็จบกิตที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอารับรรดาท่านพโ ย, ยคาวาจรทั้งหลายมองดูเวลามันจะเลยไปหน่อยแล้วนี่ก็วันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ข อ, อท่านประโยคาวาจจรทุกท่านที่ตั้งใจเพื่อจะทำดีจงรักษาความดีนี่ไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มจงทำกำลังใจของท่านให้ชนะกินเลสให้เป็นสมุตเฉตทะรันารเพราะมันเป็นของไม่ยากอารา บ, บดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาเลยแล้วก็ขอยุติไวแต่เพียงเท่านี้ ต่อจตกนี้ไปขอท่านนันหลตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยโดยที่ท่านนันหลจะใช้ดิยาบทนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนจะกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี